เรื่องทิดาของนายช่างหูพระสัสดาเมื่อประทับอยู่ในเจดีชื่ออักคาลวะทรงปรารพทิดาของนายช่างหูคนหนึ่งความพิสดารว่าพระสัสดาเส ด, ส, เดสู่เมืองอารวีทรงแสดงธรรมแก่ชาวเมืองให้เจริญมรณานุสติอย่างนี้ว่าชีวิตของเราไม่ยั่งยืน ความตายของเรายั่งยืนแน่นอนเราพึงตายเป็นแน่แท้ชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตของเราไม่เที่ยงความตายของเราเที่ยงชนทั้งหลายเจริญมรณาสติแล้วย่อมไม่สะดุ้งกลัวต่อความตายชนใดไม่เจริญย่อมถึงความสะดุง้งร้องอย่างคลาดกลัวอยู่ขณะทํากาละคือกําลังตาย เหมือนเห็นอสารพิษแล้วกลัวเช่นั้นชนทั้งหลายฟังธรรมนั้นแล้วต่างขวนขวายในกิจของตนแต่ทิดาของนายช่างหูกคนหนึ่งอายุ16ปีคิดว่าธรรมดาถ้อยคําของพระพุทธเจ้าทั้งหลายอัศาจรรย์เราเจริญมรณานุสติจึงควรดังนี้แล้วนางเจริญมรณานุสติตลอดทั้งกลางวันกลางคืนนางเจริญอยู่สิ้นสามปีทีเดียว ต่อมาพระสัสดาทรงตรวจดูโลกเวลาใกล้รุง่งทรงเห็นนางกุมาริกานั้นเข้าไปในข่ายพระยานนางจะตั้งอยู่ในโซดาปฏิพลได้และเทศนาจากเป็นประโยชน์แก่มหาชนจึงเสด็จไปโปรดนางทราบข่าวการเสด็จมาของพระสัสดาใครจะไปฟังธรรมแต่บิดาสั่งให้เรากรอได้เพื่อถอผภาษาดกที่ยังถอไม่เสร็จ ถ้าไม่กรอได้ให้บิดาพึงบ่อยตีเรานางจึงรีบรอได้อยู่ฝ่ายพวกชาวเมืองอาวีอังคาดพระตาหารแด่พระศาสดาแล้วรออยู่เพื่อต้องการอนุโมทนาพระศาสดาประทับนั่งนิ่งแล้วรอกุมาริกากำลังเดินทางมาแต่ส0โสิบโยศรอจัดอนุโมทนา นางกุมาริกากรอได้ใส่กระเช้ารีบไปเฝ้าพระศาสดานางวางกระเช้าได้แล้วไปเฝ้าเรื่องนี้เพราะพระศาสดาทรงรู้ถึงวาระการตายของนางในวันนี้ถ้านางทำการกิริยาอย่างปุถุชนแล้วย่อมเป็นผู้มีคติไม่แน่นอนว่าสุขคติหรือทุกขคติแต่ถ่านางมาสู่สำนักของเราฟังธรรมบรรลุโซดาปฏิผลแล้ว จักเป็นผู้มีคติแน่นอนเกิดในดุสิตวิมานนัยยะว่าในวันนั้นคือว่าความพ้นจากความตายของนางไม่มีนางเข้าไปเฝ้าข้างหน้าพระพักพระสัสดาระหว่างแห่งพระรัศมีมีพันณ ห, หกคือฉับพันนรังสีถวายบังคมแล้วพระสัสดารัสถามแกนางว่ากุมาริกาเธอมาจากไหน ทูลตอบว่าไม่ทราบพระเจ้าค่ะเธอจกไปนัทที่ไหนทูลตอบว่าไม่ทราบพระเจ้าค่ะตรัสถามว่าเธอไม่ทราบหรือทราบพระเจ้าค่ะพระศัสดาตรัสถามว่าเธอทราบหรือไม่ทราบพระเจ้าค่ะพระศัสดาตรัสถามปัญหาสี่ข้อกับนางกุมาริกานั้นด้วยประการชนี้ มหาชนได้ฟังนางตอบพระสัสดายอกย้อนควรตอบว่ามาจากเรือนของนายช่างหูและจะไปเรือนของนายช่างหูจึงโพท น, นาต่อว่านางกุมาริกานั้นพระสัสดาทรงให้มหาชนเงียบเสียงแล้วตรัสถามนางว่าที่ถามว่ามาจากไหนเพราะเหตุไรจึงตอบว่าไม่ทราบทูลตอบว่าพระเจ้าค่ะ พระองค์ย่อมทราบความที่หม่อมชันมาจากเรือนช่างหูแต่ที่พระองค์เมื่อตรัสถามว่าเธอมาจากที่ไหนจึงเกิดแล้วในที่นี้หม่อมชันไม่ทราบแล้วว่ามาจากที่ไหนจึงมาเกิดในที่นี้จึงตอบพระองค์ว่าไม่ทราบพระเจ้าค่ะพระศาสดาทรงประธานสาธุการแก่นางทรงตรัสถามข้อต่อไปว่า เธออนุเราถามแล้วว่าเธอจากไปนะที่ไหนเพราะเหตุไรจึงกล่าวว่าไม่ทราบทูลตอบว่าพระองค์ย่อมทรงทราบหม่อมชั้นถือกระเช้าได้หลอดจะเดินไปยังโรงของช่างหูแต่พระองค์ทรงตรัสถามว่าก็เธอไปจากโลกนี้แล้วจะเกิดในที่ไหนก็หม่อมชั้นจุติจากโลกนี้แล้วย่อมไม่ทราบว่าจะไปเกิดในที่ไหนจึงตอบว่าไม่ทราบ พระศัสดาประธานสาธุการแม้ครั้งที่สองแล้วทรงตรัสถามต่อไปว่าเมื่อเป็นเช่นนั้นเธออนเราถามว่าไม่ทราบหรือเพราะเหตุไรจึงกล่าวว่าทราบทูลตอบว่าหม่อมชั้นนั้นย่อมทราบกาลละคือความตายของหม่อมชั้นเท่านั้นเหตุนั้นจึงกราบทูลว่าทราบลำดับนั้นพระศาสดาทรงประธานสาธุการแม้ครั้งที่สาม ทรงตรัสถามต่อไปว่าเมื่อเป็นเช่นนั้นก็อันเราถามว่าเธอย่อมทราบหรือเพราะเหตุไรจึงตอบว่าไม่ทราบทูลตอบว่าหม่อมชั้นย่อมทราบแต่กาละคือความตายของหม่อมชั้นเท่านั้นแต่ไม่ทราบว่าจะตายในเวลาใดกลางคืนหรือกลางวันหรือเช้าเป็นต้นเพราะเหตุนั้นจึงตอบว่าไม่ทราบ ลำดับนั้นพระศาสดาทรงประทานสาธุการเป็นครั้งที่สี่ว่าปัญหาอันเราถามแล้วนั่นแหละเธอแก้ได้แล้วพวกท่านทั้งหลายย่อมไม่ทราบถ้อยคาที่นางกุมาริกากล่าวแล้วยอมโพทนาเพราะจากสุคือปัญญาของชนเหล่าใดไม่มีชนเหล่านั้นเป็นดุจคนบอดจักสุคือปัญญาของชนเหล่าใดมีอยู่ชนเหล่านั้นนั่นแหละ เป็นผู้มีจักษุดังนี้แล้วทรงตรัสพระคาถาว่าสัตว์โลกนี้เป็นเหมือนคนตาบอดในโลกนี้น้อยคนนักจะเห็นแจ้งได้น้อยคนจะไปสวรรค์เหมือนนกหลุดแล้วจกข่ายมีน้อยฉะนั้นในการจบเทศนานางกุมาริกานั้นดำรงอยู่ในโซดาปฏิพล เทศนามีประโยชน์เป็นอันมากแม้แก่มหาชนที่ดานายช่างทอหูตายไปเกิดในภพดุสิตภายหลังจากนางลุกออกจากที่ฟังธรรมราสดานางได้ถือกระเช้าได้หลอดไปสำนักของบิดาแม้บิดาของนางก็นั่งหลับแล้วนางวางกระเช้าได้หลอดกระทบลายฟืมคืออุปกรณ์ในการทอผ้าทำเสียงดัง บิดาเตืนขึ้นแล้วฉุดที่สุดฟืมไปโดยนิมิตที่ตนจับเอาไว้แล้วนั่นเองที่สุดฟืมไปประหารนางกุมาริกานั้นที่อกนางทากาละในที่นั้นนั่นเองบังเกิดแล้วในภพดุสิตบิดาของนางได้เห็นสรีระทั้งสิ้นเปื้อนด้วยโลหิตล้มตายลงแล้วถึงความโศกใหญ่บังเกิดแล้วเขาร้องไห้อยู่ จึงไปสู่สำนักพระสัสดากราบทูลเนื้อความนั้นพระสัสดาทรงปลอบเขาแล้วตรัสว่าท่านย่าได้โศกเลยเพราะน้ำตาของท่านอันไหลออกแล้วในการที่ทิดาของท่านตายด้วยอาการอย่างนี้ในสงสารที่ไม่มีที่สุดนั้นมากกว่าน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่ดังนี้แล้วจึงทรงตรัสอนามาตค้าปริยยสูตร เช่นเดียวกันกันกบที่ตรัสสอนนางปตาจาราเมื่อได้ฟังแล้วเขามีความโศกเบาบางทูลขอบรรพชากับพระศาสดาได้อุปสมบทแล้วต่อการไม่นานบรรลุอรหัตแล้วดังนี้แหละ